วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดระยองเราและแถวใกล้เคียงมาทุกแห่งทุกผลแม้แต่กรุงเทพยอยู่ไกลๆก็มาจังหวัดใกล้เคียงก็มา <c oughs> ข่าวนี้เป็นข่าวของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไม่ใช่ข่าวธรรมดา <c oughs> ข่าวช่วยชาติบ้านเมืองของเรา <c oughs> บ้านเมืองเป็นของเราทุกทุกคนความรักชาติความรับผิดชอบจึงมีกับทุกคนเมื่อเห็นสิ่งใดบกพร่องไม่เป็นที่แน่ใจก็พยายามปรับปรุงแก้ไขกัน <c oughs> วันนี้ก็เป็นมันทอดผ้าป่ามหากุสลเพื่อช่วยชาติของเรา <c oughs> มีทองคำเป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> ดอนล่าเงินสดเป็นอันดับต่อๆไป <c oughs> ทั้งนี้เพื่อเข้าสู่จุดรวมคือครังหลวงเป็นต้นนี่ย เ้วเวลานี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ยังไม่ทราบความเคลื่อนไหวของการช่วยชาติว่าเป็นอย่างไรบ้างก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยเหมือนกันอ <c oughs> ันนี้จึงขอพเดียงให้ทราบทั่วกัน <c oughs> ว่าชาติไทยของเราจะล่มจกจมมาแต่เมื่อไรอันนี้ไม่พณ น, นาไปแหละ ทราบแต่ว่าจะล่มจกจมเท่านั้นนี่ได้ช่วยกันขวนขวายขึ้นมาเป็นเวลาสี่ปีเข้ามาห้าปีเข้ามานี่แล้วโดยอาศัยพี่น้องชาวไทยที่รักชาติั้งหลายต่างคนต่างไม่นิ่งนอนใจไม่นิ่งนอนใจพอทราบเรื่องราวก็ต่างคนต่างวิ่งเต้นขวนขวาย ผลที่ได้จากการวิ่งเต้นขนขวายของพี่น้องชาวไทยที่ลากชาติกันทั้งหมวล <c oughs> ปรากฏเวลานี้ที่ได้เข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้วนั้นคือทองคำมีน้ำหนักห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้ากิโลครึ่งหรือว่าห้าตันน้ำหนักห้าตันกับ ห้าร้อยกิโลครึ่งนี้ได้เข้าสู่คลางหลวงเรียบร้อยแล้วและดอนล่าเลยเข้าเจ็ดเจ็ดล้านสองแสนกว่ากว่าดอนนี่ก็ได้เข้ากลางหลวงเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องหนุนชาติไทยของเราไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทองคำห้าตันนี้เป็นของเล่นเมื่อไหร่ ตั้งเราตั้งเมืองไทยมาก็ยังไม่เคยมีผู้หนึ่งผู้ใดถ้าจะยีบยกเอาทองคำมาโยนให้ตูมตามหนึ่งกิโลสองกิโลเพื่อชาติไทยของเราโดยไม่มีสาเหตุเป็นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาเลยแต่คราวนี้พี่น้องชาวไทยเราทราบกันทั่วหน้า <c oughs> ว่าได้ช่วยชาติบ้านเมืองถึงต่างท่านต่างคนต่าง ขุสาพยายามขวนขวายหามาตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้จึงได้ทองคำน้ำหนักถึงห้า9ันห้าห้าิบเกกิโลนี่คือน้ำใจแห่งความรักชาติของเราทั้งหลายแสดงออกในเวลาจำเป็นเช่นนี้ <c oughs> แต่ก่อนเขาไม่เคยมีมาและเวลายุติจากการช่วยชาตินี้แล้ว ก็จะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหาทองคําดอนด้าเงินสดมามอบให้ครังหลวงอีกเลยแหละก็ต้องเป็นครังหลวงอยู่อย่างนั้นมีมากมีน้อยก็มีอยู่เพียงเท่านั้นอไม่เหมือนเวลานี้ซึ่งกําลังต่างคนต่างขวัขวายช่วยชาติของตนมีมากมีน้อยต่างคนต่างพยายามบริจาคมาบริจาคมาตั้งแต่เล็ก จนกระทั่งถึงห้าพันกว่ากิโลแล้ว <c oughs> ทองคำเพียงกิโลเดียวมันราคาเท่าไหร่นี่ถึงห้าพันกว่ากิโลจะเป็นราคาเท่าไหร่นี่แหละ <c oughs> ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่าการช่วยชาติคราวนี้จึงเป็นคราวที่หนักมากทีเดียวสำหรับหลวงตาแล้วรู้สึกว่าหนักมากกว่าบรรดาพี่น้องทั้งหลายเสียอีก ตัวเองก็ไม่ได้เคยมีเงินมีทองอะไรมามอบให้ั้งหลวงแต่เป็นผู้นำเพื่อระขอบินทบาทด้วยการประกาศกล้องทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดทั่วประเทศไทยให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าพากันให้พากันช่วยชาติของเราโดยหลวงตาเป็นผู้นำ <c oughs> แต่ก่อนเราก็ไม่เคยสนใจในการ <c oughs> บ้านเมืองเหล่านี้ไม่เคยมี <c oughs> ปฏิบัติศิ่ธรรมอยู่ในป่าในเขาด้วยความสนใจต่อต่อธรรมอย่างเดียวทางบ้านทางเมืองใครจะเป็นอะไรอะไร <c oughs> ตั้งนายกรัฐมนตรีกี่ครั้งกี่โหนมาบ้านเมืองไปยังไงตั้ง คนนั้นไปยังไงตั้งคนนี้มาเป็นยังไงเลื่อยมาจงอระทั่งมาปัจจุบันนี่แหละถึงได้มีการกระทบกระเทือนขึ้นแล้วจึงขอสรุปเลยว่าเพียงได้อุตสาหออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายโดยทางศาสนาเป็นผู้นำํำ <c oughs> ทางศาสนาเป็นผู้นําก็พระก็คือหลวงตาบัว <c oughs> ในออกนาพี่น้องทางหลายเที่ยวบินทบาดเทศนาว่าการทั่วประเทศไทยถึงจะยากลำบากในสังขารร่างกายเรากุสาพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยฟังซิว่าสภาพของร่างกายนั้นน่ะมีครูบาอาจารย์หรือพระองค์ไหนอายุถึงปูนแปดเก้าสิบอย่างนี้น่ะมีเก้าสิบแล้วนันนี่นะ ก็เก้าสิบย่างเข้ามาสี่เดือนนี้แล้วอายุของหลวงตาอืเแล้วาการเทศนาว่าการก็เทศอยู่ตลอดอย่างนี้เราเคยเห็นที่ไหนนี่ก็เพราะความมีแก่ใจเห็นแก่ชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละยิงได้ช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหมวยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> จนกระทั่งมาบัดนี้ แล้วเวลานี้สุขภาพร่างกายก็ยิ่งนับวันอ่อนลงอ่อนลงไปไหนมาไหนมีความลําบากลําบนทางการเทศนาว่าการแต่ก่อนก็พอเทศได้ธรรมดาธรรมดาแต่เวลานี้ความหลงความลืมห <c oughs> ยียบย่ําเข้ามาทุกวันเทศบกบนหลงหน้าหลงหลังไปแล้วณเวลานี้ก็ยังอุตส่าห์พยายามเทศ ในขณะที่เทศอยู่นี้ก็พี่พี่น้องทั้งหลายกรุณา <c oughs> ทราบก็แล้วกันถ้าเวลาเทศอันใดที่ตกหายไปไม่สืบต่อกันก็ให้พึงทราบว่าความหลงลืมนั่นแหละเข้าไปตัดและลึกได้ข้อไหนแ <c oughs> งใดก็ยกขึ้นมาเทศแล้วกรุณายึดเอาข้อนั้นแง่นั้นต่อไปถ้าจะฟังติดต่อสือบเนื่องกันเป็นลำดับ เหมือนแต่ก่อนเวลานี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> เพราะ <c oughs> ความจดความจําสัญญาความจดจํานี้ไม่ค่อยทำงานแล้วเวลานี้คาด บ, าบ้านนั่นบ้านนี่ถนนหนทางคาดมันไม่คาดแล้ ว, ลวมันขี้เกียจหลงไปหมดไปที่ไหนก็ไปธรรมดานะั <c oughs> <c oughs> น่นแหละนี่พูดถึง เรื่องการช่วยชาติบ้านเมืองย่อๆให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน <c oughs> และความมุ่งหมายในการช่วยชาติคราวนี้เพื่อไ้สมเกียรติแห่งชาติไทยของเราศักดศรีดีงามแห่งชาติไทยของเราให้เหมือน ก, นกันกับชาติอื่นๆเขานั้นทองคําขอให้ได้น้ําหนักสิบตันในการช่วยชาติคราวนี้ของคนทั้งประเทศ แล้ดอนดอนล่าก็ค่อนข้างแน่ใจว่าจะได้ถึงสิบล้านเมื่อเราได้ทองคาน้ำหนักสิบตันและดอนล่าถึงสิบล้านดอนแล้วเราเป็นที่พอใจอบอุ่นไม่ต้องทนฟังเสียงคนอื่นเขามาชี้หน้าด่าทอติหินนินทาดูถูกหยาดหยามเมืองไทยเราด้วยราการต่างๆว่า ไม่เป็นท่าเป็นทางอ่อนแอท้อแท้เลวไหลอย่างนี้อาจจะไม่มีใครมาดูถูกได้เพราะเราได้ทองคำน้ำหนักถึงสิบตันแล้ว <c oughs> แม้จะมาพูดบ้างเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราได้ตามจุดที่หมายซึ่งหัวหน้ากำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือทองคำน้ำหนักสิบตันนี่ลเป็นจุดใหญ่ของเราขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกัน เวลานี้ถิงกำลังเร่งทองคำให้เข้าถึงจุดหลักัยคือน้ำหนักสิบตันกำลังเร่งและเวลานี้เร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะหลวงตาก็แก่มากแล้วทนรัลภาพไปไหนไม่สะดวกสบายไม่ไว้ใจทั้งตัวเองด้วยการเทศนาว่าการ <c oughs> แนะนำสั่งสอนหรือเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วย มันเป็นความไม่แน่ทั้งสองเวลาพอตะเกียกตะกายได้บ้างอยู่เวลานี้จึงขอบินทบาทพี่น้องทั้งหลายให้เห็นใจชาติไทยของเราโดยที่เวลานี้ยังมีพระแก่แกเป็นยังเป็นผู้นำอยู่แล้วมีมากมีน้อยตามกำลังความสามารถของเราเราที่อยู่ในบ้านในเมืองเราไม่มีใครเป็นเศรษฐีแหละ เป็นคนธรรมดาสามัญด้วยกัน <c oughs> มีแต่มีน้ำใจด้วยกันเมื่อมีน้ำใจแล้วมีมากมีน้อยก็ต่างคนต่างเสียสละมาหลายทั้งหลายข่าว <c oughs> หลายผู้หลายคนรวมกันเข้าก็เป็นจำนวนมากดังที่ลูลล่เห็นเห็นกันอยู่เวลานี้แหละนี่ออกมาจากการเสียสละของ เราทั้งหลายที่ลักชาติของตน <c oughs> เราจะไปคอยอาศัยเศรษฐีมีเงินล้านเป็นล้านล้านเราจะปอาสัยเขาให้ <c oughs> อาศัยเราทุกคนนี่แหละเป็นคนไทยขึ้นมาทั้งประเทศก็ไม่ได้เป็นขึ้นจากความเป็นเศรษฐีเป็นขึ้นมาจากหลักธรรมชาติชาตินั้นชาตินี้ รวมแล้วอย่างว่าชาติไทยของเราเราก็เป็นขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติอย่างนี้แหละและว้วไม่ได้เป็นขึ้นมาว่าชาติไหนเป็นเศรษฐีแล้วจึงจะเป็นชาตินั้นได้ชาตินี้ได้ไม่มีชาติแรกชาตินอคนทุกคนจนสับปูลกันไปทุกแห่งตุขนเขาก็เป็นชาติของเขาได้อันนี้เราเป็นคนไทยแล้วไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีโดยทั่วกันทั้งประเทศ เราก็ช่วยชาติของเราได้ในสิ่งที่โบกร่องยงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตสาห์ตั้งอกตั้งใจความรักชาติเป็นของสำคัญถ้าไว้รักชาติแล้วก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรแหละไม่มีจุดรวมไม่มีจุดที่หมายไม่มีที่รักสัหวนแล้วก็ปรนหนึ่งว่าเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของมีชาติแต่ไม่มีใครสนใจรักชาติ บำรุงรักษาชาติของตนชาติก็ค่อยเสื่อมค่อยคลายเลี้ยวไหลโลเลไปเลยกลายเป็นชาติล่มจมไปได้ถ้าไม่มีใครรักชาติสงวนชาติบำรุงรักษาชาติ <c oughs> แต่นี่เราได้พยายามเต็มกำลังความสามารถของเราอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละชาติไทยของเราจรึงเป็นที่แน่ใจว่าจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงสืบทอด มรดกของปู่ย่าตายายบรรพุรุษที่ท่านพาดำเนินมาได้โดยไม่ต้องสงสัย <c oughs> <c oughs> นี่วันนี้พูดถึงเรื่องการนำชาตินะพูดเพียงเท่านั้นจากนั้นก็พูดถึงเรื่องอัตเรื่องธรรมอย่างอื่นต่อไปเพื่อประโยชน์สำหรับคนทั่วหน้ากันงานทาง มันมีงานทางนอกงานทางในงานภายนอกคืองานจิตการบ้านเรือนงานภายในคือดังด้านจิตใจต้องได้รับการอบรมจิตใจใจที่ไม่ได้อบรมเลยนี่เลีวแหลกแบกแนวทำความเสียหายแก่ตัวเองและส่วนรวมได้โดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีศาสนาเป็นที่รวมของ จิตใจแห่งประชาชนทั้งหลายอย่า <c oughs> งชาติไทยเราก็มีพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วหาที่เปรียบเทียบศาสนาใดมาเสมอเหมือนไม่ได้แล้วการพูดเช่นนี้เราไม่ได้พูดเพื่อความดูถูกหยยดหยามศาสนาใดแต่เราพูดตามหลักความจริงของศาสนานั้นๆ คือศาสนาพุทธของเรานี้เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสพระพุธทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงตรัสสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกทรงธรรมนามว่าโล ก, กวิถูรู้แจง้งแทงทะลุทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไปหมดจึงนำทำรรที่ถูกต้องแม่นยํา <c oughs> นั่นมาสั่งสอนศาสตร์โลกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยได้พบพระพุทธศาสนาที่เลิศเลยนี่ด้วยแล้วร้องขออย่าให้หลุดไม้หลุดมือไปยังเหลือแต่โครงกระดูกตายแล้วไปเผากันตามป่าชา้าไม่เกิดประโยชน์อะไรคนมีคนจนคนบุญคนบาปมันเผาได้ด้วยกันนั่นแหละให้เผาก็ให้ <c oughs> เผาความชั่วช้าลามกออกจากจิตใจกายวาจาของตนให้เหลือแต่คุณธรรมอันเลิศอเลอภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งน <c oughs> <c oughs> ะพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่มีหลักเกณฑ์มาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายหลักเกณฑ์เบื้องต้นก็คือพระพุทธเจ้าของเราซึ่งทรงแสดงไว้ใน อดีตการจากพยานอย่างทราบของพระองคโ์โดยถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยนไปได้พระองค์สเสวยพระชาติเป็นอะไรอะไรมาบ้างนี่เราก็เห็นในตำราเรียบร้อยแล้วนี่การที่ทรงชี้แจงเรื่องอปุเพนิวาาชาติปางก่อนของพระองค์ก็ทรงแสดงด้วย พระยานวิถีอย่างทราบความเกิดมาในพบต่างๆเป็นวิถีทางเดินแห่งความเกิดตายมาจนกระทั่งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าวาระสุดท้ายก็มาเป็นพระเวสสันดรการทำมุญให้ทานไม่มีใครสู้ในโลกอันนี้ทานใช้จนหมดเนื้อหมดตัวนี่แล้วสุดท้ายก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ตอนที่มาจัดสรุเป็นทูติย์เจ้าก็ทรงอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์เหมือนเราเหมือนท่านนี้แหละที่เรียกพระนามว่าสิทธาราชกุมารมาทรงประสูติที่กรุงกบินลพัดนี่แล้วทรงเจริญวัยขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่ง <c oughs> สเสด็จออกทรงขนวล <c oughs> การสเสด็จออกทรงขนวดของพระองค์นั้นก็ <c oughs> ออกแบบนักรบไม่มีท่อมีถอยสเสดจออกแบบที่ว่า <c oughs> สลบสลไหลเพราะในพระราชนาจาของพระองค์มีไพรฟ้าประชาชีจำนวนมากเท่าไหร่ที่อยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในร่มโพ ร, ร่มทสของพระองค์แต่ถึงการเวลาแล้วก็ สเสด็จออกทรงพระหนวดทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในป่าในเขา <c oughs> เป็นเวลาหกปีนี่เป็นความลำบากลำวนมากทีเดียวจเจริญทางด้านจิตใจนั่นแหละท่านปัดออกหมดเรื่องภายนอกมีแต่การอบรมจิตใจบำ <c oughs> เพ็ญภายในจิตใจอยู่เป็นเวลาหกปี <c oughs> อยังได้ตรัสจะลูกขึ้นมา นี่เป็นแบบเป็นฉบับเป็นร่องเป็นรอยมาโดยลำดับไม่ใช่อยู่ๆก็มาเป็นพระพุทธเจ้าตรัสสรู้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุหรือต้นทางประการใดเลยอย่างนี้ความยอมรับเชื่อก็ยากนะอันนี้มีมาดั้งเดิมเป็นแถวเป็นแนวมาโดยลำดับลาดาจนกระทั่งเสด็จออกทรงหวหนวดแล้วได้ตรัสสรู้ขึ้นมา ตรัสสลูก็มีถิ่นมีฐานมีที่จำกัดมีสักฐานพยานว่นนาตรัสสลู้แล้วในแดนแห่งป่าก็ประทานพระวติสั่งสอนวันดาสัตว์สัตว์โลกมีจำนวนมากในเบื้องตน้นปฐมมเทศนาก็สั่งสอน <c oughs> เนบญจวัคคีทั้งห้าเบญจวัคคีทั้งห้านี้ ท่านบำเพ็ญธรรมตามทางของเรียกว่าของผู้ยังไม่มีครูมีอาจารย์เป็นที่แน่ใจก็บำเพ็ญตามอัตยาิยสายผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาแต่จิตใจของท่านเหล่านี้ก็มุ่งต่ออาตต่อธรรมสลัดปัดทิ้งเรื่องโลกเรื่องสงสารออกหมดมีแต่การบำเพ็ญธรรมเช่น มีการเข้าฌานเข้าอะไรอย่างนี้ท่านมีนะฤาษีดาบุตแต่ก่อนท่านจึงมีความสงบใจได้นะนี่แหละท่านเหล่านี้เป็นผู้บำเพ็ญธรรมมีตาปะธรรมมีความสงบเย็นมาแล้วแต่ไม่รู้วช่องทางที่จะก้าวเดิน <c oughs> ให้ <c oughs> ถูกทางตัดจะรู้ทรงบำก็พากันบำเพ็ญตาม ภาษาของคนในสมัยนั้นแต่จิตใจของท่านมีความสงบเรียบร้อยไม่มีอะไรเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายหยาบหยาบละทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาตรัสลูแล้วก็ <c oughs> สงเรง ย, ยานอย่างทราบในเวญจวคีทั้งห้านี้แล้วก็ทานพระวาดให้นี่เล่าคู่ย่อๆย่อๆให้ พอดีกับเวลาเวลา <c oughs> การเทศนาว่าการให้เวณจวัครีทั้งห้านั้นไม่ได้เหมือนเทศในที่ทั่วทั่วไปเพราะเวณจวัครีทั้งห้าถึงพร้อมแล้วศีลก็ไม่เคยไปโฉกราบโนงอิสรมผู้ใดเป็นนักพรตเป็นลือศีรักษากายวาจาใจของตนอยู่ในป่าในเขาต า, ตามรับตามลัทธินิยมในสมัยนั้นทั้ง อย่างเดียวท่านจะไม่ทำบาปทำกรรมไปหาโชคหาลักหาปนุนหากี้ที่ไหนเลยถือความเป็นนักบวชรักษาศีลสาธรรมตลอดมารักษาใจให้สงบด้วยฌานนั่นความเพ่นตามภะษีภาษานั่นใจของท่านก็มีความสงบ <c oughs> ต่างท่านต่างมีความสงบด้วยกัน พร้อมที่จะก้าวเดินเมื่อมีผู้เดนแนะนำสั่งสอนทางด้านปัญญาแล้วพระพุท ธ, ธเจ้าทรงเด่งยานดูเรียบร้อยแล้วสมควรที่จะตรัสรู้อย่างรวดเร็วก็เสด็จมาโปรดเวนจาวกีทั้งห้าเพราะฉะนั้นทรรมที่พระพุท ธ, ธเจ้ามาแสดงเจกว้นจาวกีทั้งห้านั้นจึงเป็นทำฝ่ายปัญญา ไปวิปัสนาไปเลยเวเมพิกเวอันตาไปเตนะนิ น, นาราเซบิตบาลท่านแสดงถึงเรื่องปัญญาไปเลยเรื่องศีลท่านไม่แสดงเพราะท่านเหล่านี้มีศีลสมบูรณ์แล้วสมาธิคือความสงบเย็นใจท่านก็มีพอตัวอยู่แล้วยังเหนือแต่ทางด้านปัญญา ซึ่งเป็นทางออกทางแก้เกลียดตัญหาเพื่อดูพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงท่าน <c oughs> ไม่รู้ท่านไม่เห็นไม่มีผู้มาแนะนำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเาสเด็จมาโปรดจึงทรงสแสดง <c oughs> มักแปดขึ้นทันทีเดเวเมพิกเวขึ้นร้วนแล้วตั้งแต่สแสดงเรื่องสติปัญญาความภาความเพียรอันละเอียดรอเข้าไปเป็นลำดับ <c oughs> จนกระทั่งถึงเวนจววกีทั้งห้านั้นบรรลุธรรมในธรรมจั ก, กับประวัตนสูตรนั้นก็ก็คือพระัญญาโณทันญะได้เป็นศิษีพยานของพระพุทธเจา้าโดยได้สำเร็จอริยธรรมขั้นตน้นคือสำเร็จพระโสดา <c oughs> อันดับที่สองต่อไปก็ทรงสแสดง อนัตตาลัคนาสูต ร, รแสดงถึงเรื่องกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาของเรื่องร่างกายทั้งหมดไม่ได้๋ยวไปสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิ <c oughs> เพื่อทําจิตใจให้สงบเย็น <c oughs> เพราะท่านเหล่านี้สงบอยู่แล้วมีแต่เปิดทางให้ออกทางด้านปัญญาโดยใช่เดียว <c oughs> อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นของเรา ยกครูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นเป็นตจรักควยกันทั้งนั้นทั้งนั้น <c oughs> ท่านเหล่านี้ก็ได้รับพระโอวาทที่เปิดทางให้โดยทางปัญญาแล้วก็ได้ตรัสรู้รมขึ้นเป็นอหรหันต์ทั้งห้าองค์ด้วย <c oughs> อนัตตาลัคณาสูตรเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการของพระพุทธเจ้าจ <c oughs> ึงเอาความแน่นอนไม่ได้ ตามแต่ที่จะเทศบางลายก็หรือจำนวนมากก็เทศอบรมว่มฝีอบรมอินทรีย์หรือบ่มอบรมบ่มนิสัยอินทรีย์ไปตั้งแต่เริ่มการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่สวรรค์เลื่อยไปเป็นลำดับท่านเรียกว่าอนุบุพภีอุภิกถาห้าประการ คือทำแสดงไปโดยลำดับลำดาเหมือนเครื่องวินเหินฟ้าขึ้นจากสนามที่แรกก็ขึ้นจากพื้นแล้วค่อยเหินขึ้นไปเหินขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง <c oughs> นี่พระพุทธ เ, เจ้าทรงแสดงแจ่ <c oughs> จัดโลกแสดงแบบอนุปพิกถาขอ้อมี <c oughs> ผู้ที่ยังบกพร่องตรงไหนส่งเสริมตรงนั้นให้แหนมัแน่แนหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสอนนักบวชเบื้องต้นเรื่องศีลเรื่องสมาธิไปเรื่อยๆนี่ยสอนประชาชนที่ยังห่างไกลต่อศีลสมาธิปัญดา <c oughs> ก็าสอนเรื่องการทำบุญให้ทาน <c oughs> การให้ทานมีผลอย่างไรบ้างการให้ทานนั่นแหละเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายมีความร่งเย็น ตายใจกันได้เพราะการเฉลี่ ย, ยผัวแผ่มีมากมีน้อยมีความเฉลี่ยผัวแผรด้วยเมตตาจิตคิดเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็เฉลี่ยกันคนเราเมื่อได้รับของจากผู้หนึ่งยื่นให้แล้วจะไปโกรธ โ, โมโมโหโทโสได้อย่างไร <c oughs> เมื่อได้รับการหยิบยื่นจากคนอื่น ที่ออกมาให้แล้วต้องมีความยินดียิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> แม้แต่สุนัขในบ้านเราเจ้าของเอาอาหารให้กินไปยังไงสุนัขในบ้านเขามีความยินดีต่อเจ้าของอย่างไรบ้างนี่แหละการให้ทานยินดีมาตั้งแต่สัตว์ดีเดชานสัตว์ดีเดฉานอยู่ที่ไหนเมื่อได้รับการสงเคราะห์สงหาเช่นในวัดในวากระจนกัะแต หมูหมาเป็ดไก่อะไรก็ตามเมื่อได้รับการเลี้ยงดูจากเจ้าของคือความเสียสละคือการให้ทานแปลว่าการให้การเสียสละนั่นแหละเขาได้รับมากน้อยก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสตายใจจนกระทั่งถึงคนกับสัตว์เลยเป็นอันเดียวกันตายใจเปน็นเดียวกันเพราะอํานาจแห่งทานการเสียสละนี่เป็นเครื่องสมาน จ, จิตใจ ให้ไม่ละแคะละขายไม่ละเวียงระวางกันให้สนิท ต, ตายใจต่อการได้ต่อกันได้ระหว่างคนกับสัตว์เพราะฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นของจำเป็นมากเป็นพื้นฐานของพระพุทธเจ้า <c oughs> ทุกทุกพระองค์ <c oughs> ก่อนที่จะตัดสล้นี้การให้ทานนี้เป็นเหมือนกันหมด วรนดาพระพุทธเจ้าเ ป, เป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> จวนเข้า่าเท่าไหร่การให้ทานไม่หยุดไม่ถอยยังที่เราได้ตัวอย่างมาจากพระเวสสันดร น, นั่นทานแค่จนไม่หมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรก็โยกท้างให้ทานถูกชาวเมืองเขาไม่พอใจขับไร่เขาอยู่ในป่าในเขาพระองค์ก็ยอมไป ไปตามที่เขาขับไล่แต่การให้ทานตามพระนิสัยของพระองค์นั้นไม่ยอมลดละเข้าไปอยู่ในป่าในเขาไม่มีอะไรให้ทานพรามาขอลูกพระโอรสทั้งสองกันหาชรลีก็ยกให้ทานไปเลยนั่นไม่มีคําว่าเสียดายนี่คือนิสัยของบรมมาโพธิสัตว์เปอย่างนั้นให้ทานลูกไปแล้วยังไม่แล้ว <c oughs> ยังให้ทาน พระชายาขอขคเหสีนั่นอีก <c oughs> อันนี้เป็นพระอินแปลงเพศลงมาเพื่อตักเตือนพระเวสสันดรแปลงเพศลงมานิลมีตเพศลงมาเป็นพรามแก่มาขอพระนางมัตสีพระองค์ก็ยกให้ทันทีแล้วยกให้แล้วก็พระพระอินนั่นก็เลย <c oughs> ทูลขอพรขอตอบวันนี้อย่าได้ถวายพระนางวันสี่เพราะนี้เป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายอะไรก็หมดไปหมดไปแล้ว <c oughs> ยังเหลือแต่พระชายาพึ่งเป็นพึ่งตายกันขอพระองค์อย่าได้ถวายอย่าให้ทานต่อผู้นผู้ไรอีกต่อไปที่ข้าพระองค์มาอขอทานวันนี้ก็ไม่ได้มาด้วยความจนความขาดแคลนอะไร มาเพื่อจะมาถวายความคิดเห็นต่างๆให้ยับยั้งในการทำให้ทานพระนางาามัดสีต่อไปอย่าได้ทานน่ี่ะ ก, การให้ทานท่านมีงดเป็นที่ไหนแม้แต่พระชา ย, ยาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันท่านยังยอมเสียสละได้นี่ถึงคราวที่บรารมีแก่กล้าแล้ว ในการให้ทานก็เสียสละจนไม่อะไรติดเนื้อติดตัวเพราะหวังโพธิญาณความหลุดพ้นจากทุกทุกโดยสิ้นเชิงในการข้างหนา้าอาศัยทานเป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากทุกขเป็นลำดับลำดาไปพระองค์จึงทรงทำอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าจึงหนักแน่นในการให้ทานไม่มีใครเสมอได้เลยเ <c oughs> มื่อได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นด้วยกการให้ทานนั่นแหละเรื่องบารามีสามสิบก็ขึ้นทานเป็นวบืงต้ น, านทานบารามี <c oughs> คือการให้ทานแสดงความอธัธยาศัยเชื่อมโยงถึงการละกันเพื่อความสนิทสนมจากการเสียสละต่อกันนั่นนี่ การให้ทานจึงมีความจำเป็นอย่างมากทั้งสัตว์ทั้งหมู่คนสัตว์อยู่คนกับคนได้ก็เพราะการให้ทานการเสียสละ <c oughs> นี่เราอยู่ด้วยกันทั้งประเทศเขตแดนนี้เราก็ต่างคนต่างให้ทานต่างคนต่างเสียสละดังพี่น้องทางหลายช่วยกันไ <c oughs> ริจากเพื่อชาติไทยของเหล่านี้ก็ให้ทานเพื่อชาติของเรา จึงได้บริจาคว่าอย่างนั้นชาติจมได้ถ้าว่าอาศัยความเสียสละของพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากันแล้วชาติไทยจะจมได้ไม่สงสัยนี่ชาติไทยของเราค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้บ้างเวลานี้ก็เพราะการให้ทานของเราสงเคราะห์ส่วนรวมคือจิต <c oughs> หัวใจของชาติได้แจกจุดรวมได้แจกครังหลวงนั่นเอง จะเป็นอะไรไปนี่คือการให้ทานเป็นอย่างนี้ท่านจึงขอให้มีการให้ทานประจำนิสัยของตนเราจะทุกข์จะยากลำบากเข็นใจประการใดก็ตามการให้ทานมีเท่าไหร่เราก็แบ่งกินแบ่งทานยาสงวนไว้ตอ่อแต่ตัวผู้เดียวเห็นแก่กินเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาไม่จะมองเห็นหัวใจของผู้ใดซึ่งมีความ จำเป็นต้องอาศัยเราอยู่ว่างเลยอย่างนี้ใช้มาได้อยู่ด้วยกันไม่ติดไม่สนิทต่อกันได้เลยเมื่อต่างคนต่างมีแ่ใจเฉลี่ยผัวแปรด้วยจิตใจที่กว้างขวาง <c oughs> นี่ย่อมอยู่ด้วยกันได้คนเราไม่ต้องถาม ถ, ามถึงชาติชั้นวันณะกันแหละถามถึงอัธยาศัยใจคอที่เป็นอัดเป็นธรรมด้วยกันแล้วทําเข้าได้สนิทหมดทํำมีอยู่หัวใจของผู้ใด ไม่มีคำว่าชาติช้านวันนะ <c oughs> มีเป็นความดบความดีเชื่อมโยงกันเข้าไปด้วยความสนิทต่อกันได้ทันทีทันใด <c oughs> มีอำนาจแห่งการให้ฐานเราอยู่ด้วยกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงหน้ก็เพราะต่างคนต่างเห็นแจ้ใจกันเห็นแากความเสียสละไม่เห็นแจ้ได้อย่างเดียวความเห็นแจได้เป็นการติบกันอันตู้ปิดทางเดินของตน คนมีความตา น, นี่ีที่เหนียวไปที่ไหนไม่ค่อยสมบูรณ์ฟูนผลเกิดเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ได้รับความทุกข์ความลำบากเกิดเป็นคนก็เป็นคนทุกคนลำบากไม่เหมือนคนผู้มีการทำบุญให้ทานทั้งหลายเลยเนี่ยผิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงเป็นของเป็นธรรมชาติหรือเป็นของสำคัญมากที่ทุกคน แต่พระอย่างยิ่งเรายิ่งเป็นชาวพผู้ลูกจิตถาคต์จอมให้ทานด้วยแล้วเราควรจะเดินตามร่องรอยพระบาทของพระองค์เอามีเท่าไหร่ก็มีมีมากมีน้อยเอาแว่งกินแว่งทานแว่งทําประโยชน์คนนั้นคนนี้สัตว์ตัวนั้นตัวนี้แว่งเขาแหว่งเราแว่งไปอยู่ที่ไหนอันนี้ไปถึงไหนเชื่อมโยงไปถึงกัน ถึงกันด้วยความหยิบความวามีความสนิทสนองกลมกืนความเห็นใจใจกันจะมาทันทีด้วยอาํานาจแห่งการให้ฐาน <c oughs> ถ้าเป็นความตะนหนีทีเหนียวแล้วนี่โวไม่ได้นะเฮือแม้ตั้งแต่ เ, เป็นญาติเป็นวงกันยังเข้ากันไม่สนิทนะคนมีความตะหนี่ทีเหนียววงใดสกุลใดที่เป็นสกุลตันหนีทีเหนียวสกุลนั้นสกุลเดียวกันก็เข้ากันไม่สนิท ไม่ต้องพูนถูเนื่องสกุลอื่นเขาจะไปเกี่ยวข้องเลยแหละเพียงสกุลเดียวก็เข้ากันไม่สนิทสกุลใดเป็นสกุลตรริี์จะเห็นได้อย่างชัดเจนคับแคบตีบตันอะไรอะไรคับแคบไปหมดเดินทางก็ไม่หลวมทางแล้วมันคับแคบติดตันไปหมด <c oughs> นี่แหละความคับแคบติบตันเป็นการปิดกัน้นทางเดินของตนเพื่อความสู่ความเจริญความสมุนพลผ ล, ผลความมั่งความมีเนี่ย ไปหมดเถ้าไใครเป็นคนต้นี่ทีเหนียวเป็นอย่างนั้นนะท่านจึงสอนให้เป็นผู้มีทานพระพุทธเจ้าเสื้อเองเป็นผู้สอนนี่แล้วก็เป็นศัสดาขึ้นมาด้วยการให้ทานด้วยเห็นคุณค่ามหาศาลต่อการเสียสละทํามบุญให้ทานมากน้อยจึงได้นำองนี้มาสอนสัตว์โลกยกขึ้นว่าเป็นทานบา ร, รมีเลยทันที จากนั้นก็บศีลและบารมีก็ต่อกันไปต่อกันไปแต่ฐานะบารมีนี้เป็นพื้นฐานทันที <c oughs> นี่ละเรื่องสาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจากนั้นก็สอนศีลสอนธรรมไปโดยลำดับศีลควรที่จะรักษากายวาจาใจของตนตามกาลเวลาที่ควรจะรักษาได้ก็ให้รักษาการภาวนา คือการอบรมจิตใจให้มีความสงบล่มเย็นนี้เป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งเพื่ออบรมจิตใจของเราซึ่งมันคึกขนองอยู่ตลอดเวลาวเมื่อได้คํหนึงถึงว่าวัยใดวัยใดทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสที่เหล็กตัวนี้ฝังอยู่ในใจ <c oughs> เราไปบวชเป็นพระเป็นเนน มีอุปชาอาจารย์บวชให้ปฏิ ญ, ญาณตนว่าเป็นพระเป็นเ น, นแต่กิเลสตัวนี้มันไม่ได้บวชนะมันมันคอยล้างแกคอยลังล้างควานเราคอยลําทำลายเราอยู่เสมอนี่แหละเรื่องของกิเลสเราจึงต้องได้ทำการอบรมเพียนพระไปอยู่ในป่าในเขาก็เหมือนกันพระอยู่ในป่าในเขานี่มีหน้าที่อันเดียว ชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมอบไว้กับประชาชนญาติโดมทั้งหมดวินทบาทก็ถึงเวลาแล้วก็วินทบาทเขาก็ให้ทานด้วยน้ำใจใส์ศรัทธาของเขาแล้วมาโขกมาฉันแล้วเราก็ทำหน้าที่การงานของเราคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสังรวมกายวาจาใจของตนด้วยสติสตังระวังด้วยปัญญา รอบคอบในความเพื่อนไหวของตนไปตลอดนี่หน้าที่ของพระร <c oughs> ักษาจิตใจโดยดีเรื่ออาหารกามโภคที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกัน <c oughs> เขามาจัดมาทำให้หมดเรามีหน้าที่อันเดียวพระจึงทำงานของตนได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยส่วนคารวาดทั้งวิ่งหาทั้งใส่ปากใส่ท้องตนเองทั้งวิ่งหาเพื่อใส่ปากใส่ท้องพระ ยุ่งยิงวุ่นวายมากยิ่งกว่าพระซะอีกเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญคุณงามความดีจึงไม่เต็ ม, มเ ม, ม็เต็มหน่อยก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจด้วยกันทุกคนนั่นน่ะเพราะรู้กันทั่วหน้านั่นเนี่ยส่วนพระเรามีหน้าที่อันเดียวขอให้สำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกเป็นพ่อใหญ่หลวงของเราเราบวชมาเป็นลูกศริตาคต ไม่ว่าจะมาจากสกุลนใด <c oughs> ออกมาเป็นนักบวช ด, ด้วยกันแล้วถือศีลถือธรรมสมหวเสมอกันบำเพ็ญคุณงามความดี <c oughs> ชํารละจิตใจนี่เป็นของสำคัญมากสำหรับพระเรานะกายวาจานี้ออกจากใจถ้าใจมีความทั้งรวอมระวังได้ดีวาจาที่พูดออกมาไม่ค่อยผิดพลาดกายทำก็ไม่ผิดไม่ปรับไม่ถูก ตามิติโทษทางพระวีไนเพราะมีฮีริโอต ป, ปะระวังสังรวมตนอยู่ด้วยศีลคือด้วยสติศีลก็บริสุทธิ์สมาธิจะทำจิตใจทั้งตนให้สงบเย็นได้ง่ายกว่าคนที่ <c oughs> ไม่ค่อยมีสติสังรวมศีล้องตนให้ดีกลายเป็นศีลด่างคล้อยไปแล้วก็กลายทะลุไปขาดไปเลย นี่จะทําอะไรให้สงบเย็นก็ทําได้ยากเมื่อเรารักษาศีลสาธรรมของเรา <c oughs> ให้ดีแล้วจิตใจเราก็สงบได้ง่ายและลึกถึงศีลอบอุ่นแล้วเพราะเราสั้งรวมระวังมีฮิริโอตัปปะประจําใจของเราอยู่ตลอดเวลาเวลาประกอบความภาคเพียรคิดมาถึงศีลก็อบอุ่นในใจใจเราก็ไม่เป็น อารมณ์แล้วเแค ะ, แะและขายต่อตัวเองแล้วทำสมาธิภาวนาลงไปการภาวนานั้นก็มีหลายขั้นหลายตอนทั้งคารวะและพระทมได้ด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> จะสอนให้ฝังย่อๆการฝึกหัดอบรมจิตใจให้มีความส ง, สงบเย็นใจ พอได้พักผ่อนนอนหลับสบายบ้างพอได้สุกหัวนอนพอหาที่โปร่งที่วางได้บ้างนั้นขอให้ภาการอบตรมจิตใจว้างประชาชนยากโดนอย่าปล่อยจิตใจจนเกินเหตุเกินผลปล่อยตลอดเวลาปล่อยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีการยับยั้งความคิดความปรุงของตนวัางเลยคิดคิดเลื่อยเปื่อยเพราะยังงั้นส่วนมากคิดไปตามน้าทของชิเล็ กิเลสพาคิดพาปรุงทั้งนั้นเนี่ยคนเราทั่วโลกมีตั้งแต่กิเลสพาหมุนให้คิดให้อ่านทุกอย่างให้รู้ให้เห็นให้เป็นนั่นเป็นนี้มีแต่กิเลสากถู่ไปใจไม่ได้สังรวมระวังยับยั้งตนด้วยอัดด้วยทําว้างเลยก็หาความสงบเย็นใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสทั้งคารวะ และพระแต่พระนั้นมีโอกาสตลอดเวลาเปิดโล่งสำหรับการบำเพ็ญเพียรของตนสำหรับประชาชนยังมีขาดมีข้องว่างเป็นธรมรมดาหน้าที่การงานหนักบ้างเบาบ้างก็มีขาดว่าขาดตอนเป็นธรมรมดาแต่อย่างไรก็ขอให้มีจุดยับยั้งตัวด้วยการทำความสงบจิตใจโดยทางภาวนาบ้าง ยาปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไป <c oughs> เราจะได้เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์และเป็นยาหรือธรรมโอสถแก้ไขความยุ่งเหยิงวุ่นวายของเราในเวลาคิดมากๆกับหน้าที่การงานบางทีทำการค้าการขายขาดทุนไปอย่างนี้ก็เกิดความเดือดร้อนเสียใจงานต่างๆไม่เป็นไปตามคิดความคิดความหมายก็เกิดความเสียใจ ความเสียใจนี้ทำให้คุ้นให้คิดอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนหาความสงบเย็นไม่ได้บางทีนอนไม่หลับนี่เราเพื่อให้มีการยับยั้งตัวเองบ้างก็คือว่าถึงเวลายอย่างเช่นเราจะหลับจะนอน <c oughs> ให้พากันไหว้พระอรหังสอดขาโตสุวติปันโนยอ่ยอๆเราไม่ได้มากเราไม่ได้เรียนมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วให้พากันทำความสงบใจ <c oughs> จะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ชั่วระยะเวลาไม่มากนักแหละนะเพราะเราเป็นฆราวาสและเป็นขั้นเริ่มต้นที่จะฝึกหัดดัดแปลงหรืออบรมจิตใจของเราให้สู่ความสงบด้วยบทธรรมคือการภาวนา เราภาวนาชอบใจกับธรรมวดใดเช่นพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรืออนาปานสติก็ได้ธรรมวดใดก็ตามที่ถู ก, กับจดิตนิสัยของเราให้นำธรรมวดนั้นเข้ามาบุรีกรรมในจิตให้จิตชิดกับธรรมวดนั้นเช่นพุโทโธพุธโทโธเรียกว่าชิดกับพุโทโธแทนชิด กับเรื่องคิดเละทั้งหลายที่คิดมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่เคยพักเครื่องเลยทีนี้ให้เราคิดกับพุโทโธพุทโธมีสติกรรมกับจิตเอาไว้ให้ดีมีสติสติคือความระลึกรู้ตัวอยู่กับคำบริกรรมของตัวไม่เผลอไปไหน บ, บังคับให้รู้อยู่กับคำบริกรรมคำวริกรรมกับใจให้กลมกลืนเป็นเดียวกัน บังคับจิตไม่คิดไปทางกิเลสในเวลาภาวนานั้นคิดแต่ทางกิเลสท่านทั้งหลายก็จะก็ทราบได้ด้วยกันคิดธรรมดาทั่วๆไปมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละแต่คิดเป็นธรรมนี่มีบทมีบาทมีมรคมีตอนเช่นคิดพุทโธหรือธรรมโอหรือสังโฆให้จิตอยู่กับคําว่าพุทโธหรือธรรมโอสังโฆด้วยความมีสาติแล้วเราตั้งจิตเอาไว้ตรงนั้น เอาจะเอากําหนดเวลาเท่าไหร่เราบังคับเราวังยาให้แต่กิเลส บ, บังคับเราโดยถ่ายเดียวตื่นนอนวางกิเลส บ, บังคับแล้วโดยหลักธรรมชาติของมันจนกระทั่งหลับวางทีหลับไม่ได้ก็มีกิเลส บ, บังคับให้คิดให้ปุงให้เสีย อ, อกเสียใจเดือดร้อ น, นวุ่นวายนอนไม่หลับพวกนีนี่กิเลสเคยบังคับเรามาเป็นประจําทีนี้เราจะบังคับกิเลสไม่ให้คิดให้ปุง เรื่องราวของกิเลสทั้งหลายให้คิดปรุงเฉพาะเรื่องอัดเรื่องธ ร, รมอย่างเดียวพุโทโธให้อยู่กับพุโทโธเพราะหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่พุโทโธกับใจและสติที่ควบคุมกันอยู่เท่านั้นกำหนดให้ดีแล้วเราจะเอาสักกี่นาทีตามธรรมดาก็สักสิบนาทีนี่ก็ไม่เห็นว่าหนักเหนือบ่า ก, กว่าแรงนั้นานะ เ อ, เอาตั้งไว้บังคับในริยะนั้นให้ภาวนาทุกวันเพราะเราบังคับเอาความดีมาสู่เราเราไม่ได้บังคับกิตของเราเพื่อสร้างความเสียหายแก่ตนจะเป็นอะไรไปกนะิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืนทีนาทีทีชั่วโมงเรายังไม่เห็นชิดว่าเสียเวลาเวลาไปเพราะกิเลสเนี่ยแต่เวลาเราจะทําภาวนาทําไมจึงว่าเสียเวลาเวลาไปเพราะการภาวนาแปลงความเห็นผิดนะ เรามันกำหนดภาวนานี้เป็นการที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างกุศลธรรมสร้างความเฉลียวฉลาดรอบคอบต่อจิตใจของเราเพื่อใจจะมีความสงบร่มเย็นจากการภาวนานี้ <c oughs> เราต้องมีการบังคับคนอยากดีต้องบังคับไม่วังคับไม่ได้จะปล่อยตามอาเภอใจกิเลสเอาไว้ถลุงหมดไอเรื่องความอยากดีใครอยากดีด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่ทำไปมันเนทําตา ม, มวิถีทางที่ถูกต้องที่มันทำไปตามกิเลสอยากดีเฉยทำลงไปมันชั่วชั่วแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เรามานั่นมันมีตั้งแต่ความทุกข์ความลำบาก <c oughs> ั้น <c oughs> นี้เราให้ฝึกจิต ใ, ใจให้เข้าสู่ภาวนาได้กี่นาทีก็เอาไอ้นึกอย่างที่กำหนดนาพี่น้องทัางหลายนีิละทําเป็นเครื่องยืนยัน ให้เราได้รับความสุขจากการภาวนาไม่สงสัยไม่เป็นอื่นถ้าใครได้ทำอย่างนี้แล้วผลจะปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาจิตใจจะมีความสงบเย็นภายในใจตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นจิตใจ <c oughs> พักสงบตัวเองด้วยเหมือนด้วยการภาวนานี้เลยเวลาภาวนานี้จิตพักตัวเองได้ด้วยความสงบเพราะอาศัยธรรมเป็นเครื่องบังคับ ไม่ให้คิดทางด้านกิเลสมีแต่คิดเรื่องธรรมคิดเรื่องธรรมจิตใจเ่อมเย็นจิตใจย่อมมีความสงบการสงบความสงบของใจนั้นมีแปลกๆต่างๆกัน <c oughs> สำหรับนักภาวนาอันนี้พิสดารอยู่พอสมควร <c oughs> เวลาสงบลงไปแล้วสงบเย็นธรรมราก็มีนะแล้วจิตสงบเย็นหลายครั้งหลายหนจิตมีความสว่างสวัยขึ้นมา แล้วจากนั้ น, นอาจจะออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เราไม่อยากยังไม่อยากพูดเพราะมั น, ม, นมันนอกไปจากหลักเดิมคือทำความสงบนี่คือหลักเดิมให้สนใจต่อความสงบหากนิสัยของใครมียังไงที่จะได้รู้ไรเห็นในสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับจิตในเวลาที่จิตสงบนั้นหากจะรู้เองเห็นเอง ของแต่ละคนละคนจึงไม่จำเป็นต้องวัญญายถึงเรื่องภาพถึงเรื่องสิ่งต่างๆที่เราได้จะได้พบได้เห็นในเวลาภาวนาขอให้ในทำการภาวนาให้สงบใจนี้ก็พอ <c oughs> นี่ละสำหรับคารวะเอาเพียงเท่านี้เช่นก่อนพอได้เหตุได้ผลบ้างแล้วมันจะค่อยคืบคลานไปเองมีแจใจที่จะบึกบืนไปต่อ ไปด้วยการภาวนาไปเองเพราะเห็นผลประจักษ์จิตใจจะพอใจเมื่อพอใจแล้วเรื่องการเรื่องงานภาวนานี้จะหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆเล ย, เ, ยเหมือนเราทำงานได้ผลการซื้อขายได้ผลก็ ข, ขยันหมั่นเพียรในการซื้อการขายการทำงานในประเภทประเภทใดเราได้ผลจากงานนั้นๆเราก็มีแก่ใจอันนี้การภาวนาของเรา เวลาเราทำล้วก็ทำจริงๆให้จิตใจมีความสงบหลายครั้งหลายหนเอาจนได้จิตสงบจนได้เมื่อสงบลงแล้ววางทีถึงขั้นอัศจรรย์เลยรวมลงอย่างสนิทปังอัศจรรย์เกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่เคยเห็นความสุขแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างขณะที่นั่งภาวนาจิตสงบนี้เลยเราก็จะเห็นชัดเจน <c oughs> นี่ละพื้นฐานที่จะให้ตั้งตัวให้เห็นอัดเห็นธรรมให้มีความเชื่อความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาหรือต่อธรรมทั้งหลายได้เอาการภาวนาเป็นเครื่องวัดกันเมื่อวัดกันนี้แล้วจะรู้จะเห็นขึ้นภายในใจจะมีความซึมซาบต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อมรคนิพานเป็นลาดับลาดาไปเพราะเป็นสายทางเกี่ยวโยงกัน การทำแห่งความสงบที่เราภาวนานี้ <c oughs> ให้พากันตั้งอกตั้งใจ น, นี่จิตใจของเราไม่เคยได้ภาวนาเลยนะอืศาสนาสอนส่วนมากไม่มีใครสอนกัน <c oughs> มีแต่การให้ทานรักษาศีลเป็นส่วนมากเท่านั้นเองเพราะตัวเองผู้ไปสอนคนอื่นก็ไม่ได้สนใจกับการภาวนา <c oughs> แล้วจะอะไรไปสอนจะอะไรไปสอนเขาล่ะอืม พระพุทธเจ้าเป็นนักภาวนาพระสงฆ์สาวกทัานเป็นนักภาวนาบรรดาครูบาจารย์ทั้งหลายท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้ผลเป็นที่พอใจมาสั่งสอนโลกทั่วๆไปท่านสอนเพราะท่านได้ภาวนาการสอนภาวนาจึงถูกต้องแว่นยำไม่สอนแบบสุ 4, ส่มสี่สูมห้าผู้ทำตามวิธีสอนภาวนานั้นแล้วจะได้ผลเป็นที่พอใจพอใจของตน <c oughs> นี่แหละหลักของพุทธศาสนานอย่างแท้จริงแล้วอยู่ที่การภาวนาการให้ทานการรักษาศีลเป็นจริงการสาขาดอกใบออกไปการภาวนานี้เป็นรากแก้วหรือรากเงาเข้ามูลเป็นสำคัญอยู่ที่การภาวนา <c oughs> พอการภาวนาไ้อยางเข้าถึงจิตแล้วจิตจะซึมทราบเข้าถึงธรรมทั้งหลาย จะฝังความเชื่อความน้อมใสต่อมักต่อผลไปเรื่อยๆฝังลึกตรงไปเรื่อยๆกูนั้นกลายเป็นอจาจารสัทธาคือสัทธา <c oughs> ไม่หวั่นไหวในมักในผลในบุญในกรรมในมักผลผนิพพานจะมีความแน่วแน่แล้วก็พยายามดำท น, นไปอย่างนั้นไม่ใช่ทําอย่างสูสีสูห้าพอเป็นขนบประเพณีอ่าทานก็ทานไปเสีย พอเป็นประเพณีจิตใจไม่ดูดดื่มผลก็ไม่ได้มากการให้ทานได้ผลแต่ว่าทานด้วยความแน่วแน่ภายในจิตใจมีการภาวนาเป็นฐานสำคัญ เ, เ, เป็นแม่เหล็กเครื่องหนึ่งดูดในการให้ทานให้มีกำลังหนักมากขึ้นนั้นมีผลต่างกันมากนะทำอะไรจดจ่อทำอะไรจริงจังคนมีการภาวนาเรียกว่าคนมีหลักใจมีหลักใจแล้ว จะทำอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมเป็นความจริงจังด้วยกันหมดไม่ค่อยผิดพลาดนะคนผู้มีธรรมในใจนี่แหละขอให้นำไปปฏิบัติจะ <c oughs> พาะที่จิตเรื่องการภาวนานี่เป็นสำคัญมากนะวัรดาผู้ภาวนาเช่นหงพระท่านอยู่ในป่าในเขาท่านอุตส่าห์อบรมจิตตะภาวนาของท่านเดินจงกรมมีสติสตัง ระมัดระวังรักษาใจตลอดสติไม่พลากจากการภาวนานั่งสมาธินี่หรือนั่งภาวนา <c oughs> ทำความอบรมจิตใจให้มีความสงบเยอกเย็นนี่เป็นขั้นหนึ่งเมื่อจิตมีความสงบแล้วควรแจกปัญญาที่จะก้าวเดินออกพินิพิจารณาถึงเรื่องอนุจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ เป็นแต่เพียงว่าจิตใจของเราไม่ออกรู้ออกเห็นไม่ออกคน้นออกคิดมันจึงไม่เข้าใจในเรื่องว่าอั น, นิีจังอ น, นี้มันไม่เที่ยงทั่วโลกนั่นแหละทุกขังก็เป็นทุกทั่วโลกดินแดนอนัตตา ก, ก็ใครจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้เกิดตายที่ไหนมีป่าช้าที่ไหนทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเราหมายใจสุดจิตที่ไหนตายที่นั่นได้นี่เรือ่องอาุภ้าอาุพังก็เหมือนกันอาุอภ้าอาุพังป่าชา้าผีดิบ ป่าช้าผีดิบป่าช้าผีตายคนตายแล้วเป็นป่าช้าผีตายคนยังไม่ตายเป็นป่าช้าผีดิบแล้วมันก็นจะวันหนึ่งแหละที่จะลงไปเรื่องป่าช้าผีตายนั้นแ่ะเวลายังไม่ตายพิจารณามันเสียตั้งแต่บัดนี้ด้วยจิตตภาวนาของเราแยกธาตุแยกขนันแยกสัตว์เป็นสัตเป็นส่วนผมขนแยกฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาแยกออกเป็นสัดเป็นส่วนมันเป็นสัตว์ที่ไหนเป็นบุคคลที่ไหน เป็นเขาเป็นเราที่ไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนนี่คือหน้าปวดผู้ตั้งใจให้จะออกโรคกากออกโรคจากโร ค, จ า, โรคจากสงสารพริจารณาแยกแยะหมดพิจารณาให้เห็นชัดเจนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทางด้านปัญญา <c oughs> มีจิตจิตมีความมีความสงบบางแล้วให้ออกก้าวทางด้านปัญญาถ้ายังไม่สงบให้เล่นจิตใจให้มีความสงบ ด้วยจิตตภาวนาของเราจะมีทำโบสถ์ใจเป็นเครื่องกำกับใจดังที่อธิบายไว้แล้วนั้นก็ให้กำกับมีสติจดจ่ออยู่ตรงนั้นจิตจะตั้งรากตั้งฐานาขึ้นสู่การภาวนาเข้าสู่ความแน่นหนามัน่นคงจิตเป็นความสงบจิตเป็นสมาธิเป็นรากฐานขึ้นมาในตัวได้เพราะการภาวนาด้วยความตั้งอกตั้งใจ <c oughs> นี่แหละผู้ภาวนาขอให้พระลูกพหลานนําไปปฏิบัติ <c oughs> และจากนั้นควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาพิจารณาภายนอกภายในกายเขากายเรากายหญิงกายชายกายสัตว์กายบุคคลมันเป็นกองอจุพระอายุฟังทุกขังหน้ตาเหมือนกันหมดถ้าติ ก, ก็ติดเหมือนกันหมดถ้ารู้ก็ปล่อยได้เหมือนกันหมดนั่นแหละ น, นี่การภาวนาปัญญาเป็นของสําคัญมากนะใครพิจารณาเรื่องกายชะตาสติมีหลักแน่นเล การพิจารณาเรื่องกายจัการาสตินี้จะตั้งรากตั้งฐานได้โดยลําดับลําดาแต่จิตต้องมีรากฐานคือความสงมบไว้เป็นพื้นฐานบ้างนะถ้าไม่มีความสงบเลยแล้วจะใช้ปัญญาอย่างเดียวอย่างอหารหันดิบเขาพูดนั่นไม่ได้นะั่นนั่นนะั่อหรหันดิบไม่พูดว่าไม่เคยภาวนามาประกาศตนเป็นอหรหันดิบเออสมาศีลสมาธิเออ ความสงบไม่จําเป็นเอาภาวนาเอาปัญญาเลยนั่นคือคนไม่เคยภาวนาคนที่เคยภาวนาไข่คือพระพุทธเจ้า <c oughs> ท่านเคยภาวนายัางไงศีลปฏิภาวิตโตสมาธิมหาปโลโหติมานิสั่งโซผู้ที่มีสมาธิเป็นเครื่องอุดหนุนเป็นเครื่องอบุน่นแล้วย่อมมีความสงบรง่ายเนี่ยสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาปโลาโหติมานิสังซา ปัญญาที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุเนเรียบร้อยแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวนี่เราแปลทางภาคปฏิบัติปัญญาบริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิวิมุมตติจิตที่ปัญญาซักฟอกเรียบร้อยแล้วย่อดูดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่สีสมาธิปัญญาเดินทั้งศีเดินทั้งสมาธิเดินทั้งปัญญาท่านสอนไว้เป็นพื้นฐานแก่พระสงฆ์ทั่ว นินแดดชั่วสังข์ขมวนทนเราจะมาตัดตอนเอาตั้งแต่ว่าอส ม, สมาธิไม่จําเป็นความสงบไม่จะเป็นเดินทางปัญญาเลยปัญญามันก็บเป็นมันกับปัญญาตาบอดปัญญาของคนของเคยของคนด้นเดานั่นเองคนผู้ดดำเนินจะไม่พูดอย่างนั้นถึงขั้นทวนที่จะพูดปัญญาพูดเลยดังวพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยจารวิชีตั้งห้าฟาดปัญญาออกเลยอันนี้จังทุกขังราตา อย่างลงทางด้านปัญญาปัญญาผู้ที่ควรอบรมจิตใจให้เป็นหลักเป็นเป็นฐานก็สอนลงทางด้านสมาธิแน่นหนามันคงไปนั่งท่านสอนเป็นภาคภาคควรวักใดตอนใดก็สอนลงในวักในตอนนั้นผู้ทิ้งอยู่ในธรรมประเภทใดควรจะอบรมให้มีความสามารถแก่กล้าก็สอนตั้งแต่ทําประเภทพื้ น, พ, นพื้นขึ้นไปผู้ควรจะหลุดพ้นแล้วก็เปิดประตูให้เลยด้วยปัญญา ก็ออกผางผางเลยเดินไปเจ้าวักีทั้งห้านี่ท่านท่านนักภาวนาท่านไปอย่างนั้นศาสดาเอกของเราสอนไว้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติที่เป็นสังฆั ง, งสันนัมกัจจามีของพวกเราท่านก็สอนแบบนั้นเหมือนกันท่านไปแสมสอนแบบอรหันดิบอรหรนันด้นเดาอรหันตาบอดอรหันไม่เคยสนใจกับการภาวนาแล้วมาสอนโลกให้เฉลียวฉลาดมันได้สอนได้ยังไง จะของโยกโง่ยิ่งกว่าหมาตายอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้นะนี่แบบสบับของธรรมที่จะทำโลกให้ทำจิตใจของ <c oughs> เราให้มีความสมงบร่มเย็นให้ปฏิบัติตามฐานของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เป็นของสำคัญมากนะ <c oughs> นักบวชเราสำคัญที่กายคตาสติพิจารณาให้เน้นนะัก ทบทวนแล้วทบทวนเาราพิจารณาเอาร่างกายนี้แหละเป็นทางเดินของปัญญาวกไปเวียนมาตลบทบทวนกี่ครัง้งกี่หนจนเกิดมีความจำนีชจำนาญภายในใจแล้วจะรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวขึ้นไปเป็นลําดับลำดับนี่จากนั้นเนี่ปัญญา <c oughs> ส่วนร่างกายนี้เป็นปัญญาขั้นยากหนักมากอยู่ต้องใช้กําลังหนักในปัญญาขั้นนี้ เอาจกนกระทั่งปัญญาขั้นร่างกายนี้ละเอียดแล้วผ่านขั้นกายนี้ไปแล้วจิตใจเบาวิวนั่นเป็นขั้นเป็นตอนนะปัญญาขั้นร่างกายนี้เป็นเมื่อตั้งแต่ต้นลงไปจกนกระทั่งถึงขั้นละเอียดของการพิจารณาร่างกายเป็นขั้นชนมูลวุ่นวายของปัญญาจะเรียกว่าปัญญาประเภทไหนก็เรียกไม่ได้ต้องเป็นปัญญาชนมูลเพราะความ รอบครอบเพราะความว่องไวของปัญญากับร่างกายที่พิจารณากันแยบขายแยบครทันทีทันใดพอผ่านอันนี้ไปได้ปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วในด้านวัตถุนี้จิตจะก้าวเป็นอัตโนมัติเลยสติปัญญาของจิตที่ผ่านเรื่องกายจกตาสติการมกิเลชนี้ไปได้แล้วจะเป็นสติปัญญาตโนมัติหมุนตัวไปเองไปเองเพื่อ พ้นโดยไทยเดียวนี่ท่านว่าสติปัญญาตโนมัติภาวนามยปัญญาของผู้ปฏิบัติให้มันเป็นในจิตในใจนั่นสิเราทําให้เป็นแล้วไปสอนคนอื่นเราจะสอนได้อย่างไงต้องทําตัวของเราให้เป็นนี่ละให้ให้พาลูกพาหลานทั้งหลายําไปพิจารณาปัญญามีสองประเภทปัญญาขั้นยาเกเรียวกยวก่าปัญญาที่เกี่ยวกับร่างกายร่างกายนี้ต้องใช้ ยังหนักปัญญาทบทวนเอาซะจนแหลกจนเหลวจนกระทั่งถึงว่าเหมือนฟาแหลบฟาแหลบด้วยอาํานาจของปัญญาพิจารณาร่างกายพังทลายลงไปว่าหนึ่งว่าชั่วฟาฟ้าแมป้าแมปนั่นถึงขั้นตอนที่รวดเร็วจากนั้นก็ผ่านได้เลยพอผ่านไปได้แล้วก็มีแต่นามธรรมาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาตามเข้าไปในเรื่องเหล่านี้เกิดดับเกิดดับเกิ ด, ด, ด, ดมาจากไหน เวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญารเกิดมาจากใจพิจารณาเขา้าไปก็่าถึงใจถึงใจเมื่อเข้าถึงใจแล้วมันก็ไปยุติที่นั่นยุติที่นั่นยุติหลายครั้งหลายผลมันก็เขา้าโคนรากแก้วราก อ, อันสําคัญของกิเลสได้คืออวิชชาอวิชชาปัญญาก็คือเป็นที่รวมของขันสี่เนี่ยวเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณที่เรียกรวมเป็นขันธ์หน้า ขันห้าผ่านไปได้แล้วอย่างสิเหลือขันสี่หมุนเข้าไปตามขันสี่เข้าก็ไปถึงอวิชชาพอถึงอวิชชาเลียบหลายครั้งหลายโหนโค่นรากแก้วอวิชชาปัจจยาสัางขารขาดสวรรค์ไปแล้ว <c oughs> นั่นแหละเรียกว่าท่านวันรู้ธรรมนี่แหละเกิดขึ้นจากการภาวนาตั้งแต่ล้มลุกคลุก ค, คานพุโทโธตมโอสังโฆบริกรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยถูถายกันไปมาหลายครั้งหลายโหนค่อยคล่องตัวไปคร่องตัวไป จนกระทั่งถึงขั้นแกวกล้าสามารถร่างกายนี้เป็นยังไงเท่าภูเขาก็เท่าเถอปัญญาเฉียบขาดขาดสะบั้นไปหมดพุ่งที่ตรงไหนปัญญ า, าไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาโลกทธานุนี่ทะลุไปได้หมดปัญญาเมื่อถึงขัน้นเฉลียวฉลาดแหลมคมแล้วว่องไวแล้วเป็นอย่างนั้นแล้ะทะลุเข้าไปสลุเข้าไปอวิชาอยู่ที่ใจมันจะไปไหนได้พังเข้าไปอวิชาขาดสะบั้นลงไปแล้ว <c oughs> ไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าก็ตามเราอยากเห็นพระพุทธเจ้าขนาดไหนก็ตามพราะอาวิชชาขาดสวันิงไปแล้วได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วอย่างประจักษ์ใจเข้าเฝ้าสาวกทั้งหลายแล้วอย่างประจักษ์ใจพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์รวมอยู่กับทรรมแท่งเดียวคือความบริสุทธิ์ของผู้ลุดพ้นแล้วโดยสายเดียวเท่านั้นเป็นอันเดียวกันหมด <c oughs> ไม่มีที่จะแปลก ต่างกันอันพระรูปพระโฉมพระศัีรานั้นมีต่างกาันอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพานปริิพานนั้นหมายถึงร่างกายแตกดับส่วนธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทธโธซึ่งเป็นธรรมทั้งแท่งนั้นคือพุทธะแท้นั่นผู้บรบรลุธรรมบรรลุธรรมแท่นี่แหละจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์แปลงแบบเดียวกันหมดเลย <c oughs> เหมือน ก, นกันกับแม่น้ําที่ไหลลงสู่มาหาสมุทรนะ มหาสมุทรเป็นที่รวมแห่งแม่น้ําทั้งหลายสายต่างๆที่ไหลลงไปรวมในมหาสมุทรแห่งเดียวเวลาแม่น้ํทาทั้งหลายที่ไหลลงไปยังไม่ถึงมหาสมุทรเราก็เรียกได้ว่าแม่น้ําสายนั้นสายนี้เช่นแม่น้ําวางปะกงเป็นต้นนะพอเข้าถึงมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกได้คําเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรจะเรียกว่าแม่น้ําสายนั้นสายนี้ไม่ได้เลยนั่นเป็นอันเดียวกันหมดแล้ว นี่กระบวนการคิดของโยคาวจรผู้บำเพ็ญบรารมีทั้งหลายเท่ากับน้ําสายต่างๆนั่นแหละบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปไหลเข้าใกล้ใกล้ใกล้ที่จุดที่หมายคือมหาวิมุตมหานี่ผานใกล้เขาเป็นลําดับไหลเข้าไปสับรารมีแก่กล้าแก่ก้า่ไหลเข้าไปพอถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วเท่ากับถึงวิมุตะนี่ผานนั้นเป็นอันเดียวกันหมด เช่นเดียวกันในน้ำสายต่างๆพอไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดจิตของสัตว์โลกทั้งหลายนี้เมื่อบำเพ็ญเข้าไปถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นวิมุตติพันิพานอันเดียวกันหมดเป็นมหาสมุทรเป็นมหานิยมอันเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เข้าไปหาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ไหนณที่ีเซโยปาปโยความบริสุทินั้นเสมอกันหมดเหมือนกันแล้วถามกันหาอะไร ตัดทะลุ ป, ปึงขึ้นมาเท่านั้นองค์นายก็ตามพระพุทธเจ้ามีมากน้อยเพียงไรท่านจะไม่ถามไม่มีทางสงสัยใดๆเลยต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมทั้งหลาย <c oughs> นี่แหละผลแห่งธรรมแห่งการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาตั้งแต่พื้นๆเพร่ๆขึ้นไปกขึ้นไปเป็นลําดับด้วยความไม่หยุดไม่ถอย <c oughs> เราจะได้ผลขึ้นเป็นลําดับลำ ด, ดาบก้าวขึ้นไปจนกระทั่งถึงมีมูตุผลพร น, น, นที่ใจดวงเดียวนี้แหละ แต่ก่อนพิเลตันหามันผูกอืมมัดรัดลึงไว้เต็มจนกระทั่งถึงก็ดิกตัวไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่ความขัดความคล่องของยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่ความทุกข์องตำนานที่หัวใจเพราะกิเลสบีบหัวใจพอแก้ออกได้แก้ออกได้แก้ออกได้จนหมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีจุกิเลสตัวใดจะเข้าไปบีบในหัวใจนั้นได้เลยนั่นแหละท่านว่าบรมวสุอยู่ที่กิเลสซึ่งเป็นตัว สร้างทุกนั้นขาดตะวันลงไปทุกในพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีตั้งแต่วันท่านตรัสรู้ทำแล้วพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเหล่านี้ไม่มีทุกภายในใจมีก็มีแต่ในธาตุน่ะขันเจ็บท้องปวดที่สะเป็นธรรมราแต่นี้เป็นฝ่ายสมมุติธาตุขันเป็นสมมุติทั้งมวลเจ็บมากเจ็บน้อยเป็นอยู่ในวงสมมุติไม่ก้าวเข้าสู่วิมุติคือจิตที่บริสุทธิ์ได้เลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่ได้สวยทุก จากธาตุจากขันจะเป็นมากเป็นน้อยก็เป็นอยู่ตามธาตุามขันพังลงไปก็ทาตุขันตายอตามตะมหานิพานในจิตของท่านที่บริสุทธิ์ท่านไม่ตายนี่ทําเป็นอย่างนี้แหละพอถึงขั้นนี้แล้วเลิศเลอขนาดไหน <c oughs> ทำทำที่เลิศเลอสุดยอดคือจิตใจที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแล้วเลิศสุดยอดเลยไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งนั้น นี่แหละเที่ยวพระริเจ้าทรงทอดพาไทยเวลาตรัสรู้ขึ้นมานะสว่างจ้าขึ้นหมดครอบแดนโลกธาตุซึ่งแต่ก่อนกิเลสปิดบังเอาไว้มืดมิ ด, มดปิดตาตะวันร้อยดวงก็มองอะไรไม่เห็นเพราะจิตใจมันมืดจะพอเพราะอํานาจกิเลสนั่นแหละอืมหุ้มหอมันพอกิเลสเปิดออกหมดแล้วจิตใจจ้าขึ้นมาเห็นหมดนั่นแหละสว่างจ้าขึ้นมานี่เพราะฝนเนี่ยการประพฤติปฏิบัติ คำจัดความชั่วช้าล้ำมุกออกจา ก, กจิตใจใจก็มีความสว่างสวัยขึ้นไปโดยลําดับท่านจึงสอนให้ทำบุญให้ทาน <c oughs> อย่าอยู่เฉยๆแบบสัตว์ดิบฉันใช้ไม่ได้เราจะเป็นสัตว์ดิบฉานทั้งคนนั้นน่ยถ้าเป็นว่าไม่มีหางมันก็เป็นสัตว์ไม่มีหาง เ, าเนี่ยถ้าสัตว์มีหางก็เป็นมีหางวาเสียคนนี้ก็เลยเป็นสัตว์ไม่มีหางวายเสียไม่มีศีลมีทาน <c oughs> ไม่มีการกุศลเป็นที่แหลลึกประจําจิตใจของมนุษย์เลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ขอให้พากันบําเพ็ญจิตใจสร้างคุณงามความดีไว้เป็นพื้นฐานประจําใจใจของเราจะมี เ, เครื่องรับรองยืนดันเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคนมีคนจนตายเหมือนกันคนบาปคนบุญตายได้เหมือนกันแต่ตายด้วยไปทางบาปก็มีตายไปทางบุญทางกุศลก็มีตายไปแล้วไปด้วยทางหลุดพ้นก็มีมันต่างกันอย่างนี้ ขออนตรึงขอให้บํารุงรักษาจิตใจให้ดีเราต้องอย่าบํารุงตั้งแต่ร่างกายซึ่งมันจะตายอยู่ในวันใดวันหนึ่งก็ได้นี่โป้นปืนกันเสียเดือเกิดอะไรมาก็ไม่พอกินวันย่างคํากินตั้งตั้งตั้งแต่ตื่นนอนจิบจิบแยบแยบอะไรกินไม่หยุดไม่ถอยปากทางานจนจะเป็นจะตายทั้งกินทั้งบ่นทั้งเพ้อทั้งขับทั้งลาทําเพลงอยู่ในปากนี่หมดนั่นแหะปากนี่เป็นตัวยุ่ง บางนี้ทํางานมากเจ้าของปนปือเอาเหลือเกินร่างกายอันนี้อะไรก็มาปงปื้ร่างกายอะไรไม่พอเรื่องของร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากปนปือ้อเสียมากมายแต่จิตใจเรียกร้องหาความทุกขหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะไม่เหลียวแหลเลยนี่อยากจะว่าทั่วหน้ากันนะถ้าไม่ใช่ผู้บําเพ็ญกองการผุศลนมีตั้งแต่หาอยู่หากินหัว <c oughs> หาไปเลยทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ผู้นี้ไม่มีอะไรเลยจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือเพราะความเหือดร้องอยู่บังคับตลอดเวลาเรียกร้องหาอยู่เส ม, มอเจ้าของก็ไม่เหลียวแดเพราะนั้นจึงให้เหลียวแดดเจ้าของว้างนะดอกไปนี้าการให้ตมูลให้ทานเป็นนิสัยของเรายาปล่อยยาวางนะถ้าปล่อยวางเราหมดเนื้อหม ด, หมดตัวไม่มีที่เกาะที่ยึดเราจะเกอะจะยึดอะไรสิ่งทั้งหลายนี่เป็นอาศัยอยู่กับโลกเท่านั้นน่ะ ตายแล้วไม่มีอะไรเป็นที่อาศัยนะบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราตายแล้วติดปุ๊บ ก, กับบุญกุศลไปเลยนี่ให้พากันพยายามเลี้ยงแลจิตดวงนี้บ้างนะบำรุงจิต ด, ด้วยการทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เรียกว่าบำรุงจิตใจใจก็ได้อาหารคือทําเป็นโอชารสร่างกายก็ได้อาหารเครื่องปนพื้นทุกวันอย่างเรากินอยู่ตลอดเวลานี้หล่อเลี้ยงตั้งแต่ร่างกายใจิตใจไม่รับ การเหีียวแลวเลยจิตใจแห้งปากแห้งผากใช่ไม่ได้ขอให้พากันอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นด้วยอัดด้วยทำเราจะมีความเย็นคําว่าพุโทโธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเทือนถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่นเป็นของเล่นวมาาื่อไรทำโมสังโฆเป็นอันเดียวกันกระเทือนถึงกันหมดเข้าในหัวใจของเราเราวิธามันเลิกเลย ครองหัวใจในขนาดที่เราลึกผุนพุโทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโคก็ดีกระเทือนถึงกันหมดจิตใจเรามีคุณค่ามหาศาลนในเวลาเช่นนั้นต้องขอให้พากันสร้างคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นเข้าสู่จิตใจบ้างแต่ จ, จะไม่มีอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงโอชาโรธแล้วจะมีความสงบร่มเย็นเป็นถูก วันนี้ก็เทศนาว่าการ <c oughs> ให้บรรดาพระเจ้าประสงค์พระลูกพระหลานตลอดประชาชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังในฐานะที่ว่าหลวงตา <c oughs> นี้ได้มาเทศนาว่าการและนำพี่น้องทั้งหลายมาเป็นเวลาห้ากว่าเกือบห้าปีนี้แล้วก็ได้ไปทุกแห่งทุกเช่นวัดธรรมสตินี้มาหลายครั้งแล้วนะสามสองครั้งหรือสามครั้งก็ไม่รู้เลยมาเทศนาว่าการ วันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นํำอัดนรรมที่แนะนําสั่งสอน <c oughs> เวลานี้ไปเป็นคติเครื่องเตือนใจและการสอนโลกหลวงตาพูดจริงๆ น, นี่เอาเป็นสักขีพยานได้เลยหลวงตามไม่พิจารณาแล้วให้ดูหน้าหลวงตาซะก่อนนะพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> การนําพี่น้องทั้งหลายมาถึงสี่ ปีห้าปีนี่แล้วหลวงตานำไปด้วยความราบลื่นดีงามด้วยความพออกพอใจด้วยความเมตตาสงสาร น, น้อนร้อนจะออกแง่ใดมุมใดได้พิจารณาเต็มโฮกเต็มโมกแล้วคอยอัแล้วก็คอยนำประชาชนไปทุกแง่ทุกมุมแล้วก็คอยราบลื่นด้วยมาเป็นอย่างที่ว่านี้ <c oughs> แล้วการปฏิบัติตัวของเราเราก็ปฏิบัติได้ความราบลื่นมาตั้งแต่วันออกบวช ปฏิบัติศีลธรรมมาจงกรทั้งก้าวเข้าสู่โรงพยาบาข้าเข้าสู่กรรมฐานเข้าอยู่ในป่าในเขาปฏิบัติกรรมจากวิเลษทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเรื่อยมาเรื่อยมาผลได้เป็นที่พึงพอใจโดยลำดับลำดับขอสรุปความเลยว่าผลทั้งมวลที่เราได้ปฏิบัติมาตั้งแต่วันออกปฏิบัติ <c oughs> เป็นเวลาเก้าปีเต็มอันนี้เรียกว่าฟัดกันไม่มีวันมีคืนถ้าเป็นนักมวยเข้าวงในกันเลย เป็นเวลาเก้าปีผลเป็นที่พึงพอใจกิเลสขาดสวัสลงจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยตั้งแต่วันที่15ห้าพฤษภาคม2493หลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนอครเวลาห้าทุ่มเป็นพอดีนั่นเป็นเวลาที่โลกธาตุบันไหลผ่าในหัวใจหลังจากกิเลสขาดสวัสนลงไปจากใจแล้วจิตใจดิดนผึงขึ้นมาความสว่างจ้าครอบโลกธาตุ นั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ท้อใจในการสั่งสอนโลกนี้เกิดความท้อใจเหมือนกันแต่ก่อนเห็นในตำหลับตำราอืพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเกิดท้อพระไถไม่อยากสั่งสอนจโลกเพราะทำนั้นเป็นแดนอัศจรรย์หมุกประหนึ่งว่าเลยโลกโลยสารสูดเรื่องที่จะปฏิบัติตามได้เลยท้อพระไถ่แต่เมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วก็เข้ามาติดตัวเองนั่นแหละเอาจะาาทําไว้ ว่าโลกทั้งหลายเขาจะรู้เขาจะเห็นมาได้ก็เราเป็นเทวุธเทวดามาจากไหนปฏิบัติธรรมทำเป็นแนวทางให้พ้นทุกเราปฏิบัติตามธรรมทาไมจะพ้นทุกม่ได้ถ้าว่าโลกทั้งหลายสูตรเป็สายที่โลกทั้งหลายจะรู้ได้เราเป็นเทวดามาจากไหนเราถึงรู้ได้เห็นได้เห็นได้เพราะเหตุใดก็เห็นได้เพราะการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นสวกอารธรรมแต่ไรชอบแล้วนั่นแหละจึงเป็นทาง บิกว้างบ่กกว้างออมาแล้วที่นี้เมื่อพิจารณาถึงตัวเองว่ารู้ได้เห็นได้เพราะมีทางเดินมาได้แก่การมาเป็นศีลธรรมมาเป็นลาดับจนถึงขั้นเป็นที่พึงพอใจและพิจารณาดูโลกเขาก็มีเขาก็ดําเนินมาวันกันเขาทำไมจะไม่รู้ว่าให้ทานเขาก็ให้ทานสักกาศรศีลเขาก็ทำํำภาวนาเขาก็ทําเขาก็ก้าวเดินมาวันกันทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นได้ยอมลงใจว่าออรู้ได้เห็นได้แม้ไม่มากก็ได้ เพราะก้าวเดินถูกทางมาแล้ว น, นี่นี่ล่ะเป็นเหตุที่มีแก่ใจแนะนําสั่งสอนมวนดาพระเนรแต่ก็อยู่ในป่าในเขาไม่อยากพูดกับใครเลยมันรู้สึกมันท้อใจเพราะอํานาจแห่งความสว่างสวายอํานาจที่เลิศเลอมันเหนือสตุกสิ่งทุกอย่างเกินกว่าที่จะมาเทียบกับถังขยะในสามเดนโลกธาตุนี้นี่ม่วงพิจนานดูถังขยะมันก็มีแร่ธาตุที่เป็นสาระสําคัญสําคัญอยู่ในถังขยะเต็มโลกธาตุ เต็มโลกอันนี้อยู่มันมีแฝงกันอยู่เหมือนภูเขาลูกนี้มีแต่หินแต่ผาเท่านั้นเหรอสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ไม่มีเหรอคันมองเข้าไปมีแร่ธาตุประเภทต่างเออแร่ธาตุตะกั่วทองแดงอะไรตัวตั้งถึงทองคําเพชรพินอยู่ในนั้นหมดนั่นไม่มีมากก็มีอยู่ในเขาลูกนี้เขาจึงต้องขุดคุ้ยหาพวกแร่ต่างๆมาทําประโยชน์ให้โลกได้เห็นอยู่ทั่วว้านทัวเมืองเวลานี้ ก็เพราะมันมีอยู่ในสถานที่ว่าเป็นทางขยะไม่มีสาระในภูเขาลูกนั้นแหละมันแฝงกันอยู่นั่นอันนี้คนที่เป็นทางขยะไม่มีสาระก็มีแต่ผู้ที่เป็นสาระประโยชน์เขาแฝงกันอยู่นั่นแฝงนั้นเมื่อเปยัง น, นั้นก็ต้องขุดคุ้ยเข้าไปมีมากมีน้อยใต้เท่าไหรก็เอาอทองอันหนึ่งหรือแกละธาตุอันหนึ่งที่ดิบที่ดีไม่มีมาก เท่าภูเขาหรือเท่ากำปั้นก็ตามจับลายครั้งลายขนก็มากมีได้ไ ม, ไดไมีได้แล้วขุดคน้นออไปก็ได้ของดีออกมาได้ของดีออกมานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสอนโลกที่แรกปกะท่าปะไทยขั้นต่อมาก็สอนเมบญจบาขีทั้ง5้าได้เบญจบาคีแล้วสอนชาวโลกทั่วกระจายทั่วดินดแดนเวลานี่เป็นยังไงเทวุตรเทวดายินงโผงตาบไหวพระพุทธเจ้ามาล้วนแ้่ตั้งแต่ผู้หนาแน่นโดยคิดเด็กแต่สมัยถึงได้ดิบได้ดีถึงขึ้นสวรรค์ชั้นขงได้ นี่ก็เพราะของนียังมีอยู่กับสัตว์โลกนี่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเราให้พิจารณาคิด <c> ใ <oughs> จของเราถ้ามันไม่ดีไม่ดีมันจะมีจะไม่ดีอย่างเดียวเหรอคัดเข้ามาหาใจของเราอีกถ้าใจของเรามีแต่ตีบตันอั้นตู้ไม่อยากยินดีในศีลในทานคัดหัวมันออกอันที่มันไม่ยินดีเอาความยินดีเข้ามามันไม่อยากให้ทานเอาทานไม่อยากรักษาศีลเอาไม่อยากภาวนาบังคับให้ภาวนา เรากันกองเข้าไปในตัวของเราเองนี่ก็ถังขยะมีแต่ความขี้เกียจขีคานในการบำเพ็ญภาวนาทำบุญให้ทานคัดเข้าไปคัดเข้าไปแล้วมันก็ได้ทานมันก็ได้ออกมาจากใจดวงนี้แหละเมื่อศีลภาวนาก็ได้จากใจของเรานีแหละเพราะเราเป็นผู้กันกองเราเองไอพี่น้องหลายจำเอาหนา วันนี้เทศอย่างนี้นะเทศไปเทศมารู้จึกเน็ดหน่อยเวลา <c oughs> แล้วการ <c oughs> เทศนาว่าการเขาขอข อ, อย่าได้ฟังแล้วผ่านไปผ่านไปนะพี่น้องทั้งหลายให้นําไปปฏิบัติการเทศนาว่าการนี่หลวงตาไม่ได้มีความข้องใจสงสัยการมาสอนพี่น้องทั้งหลายได้ทำทุกขั้นหลวงตาไม่สงสัยเลยถอดออกมาจากหัวใจที่จ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนปาเป็นเวลาได้ห้าบสี่ ถ้า13 14ปีนี่แล้วนี่เราทำของพระเจ้าเป็นของจริงไหมพระพุทธเจ้าแตสรูปเพียงองค์เดียวสอนโลกได้3ามเด่นโลกธาตุทำเป็นของจริงเป็นอย่างนั้นไม่ต้องถามใครนี่พอรู้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้านักทีเส ย, ยุยปาปิโยเป็นอันเดียวกันเรียบร้อยแล้วถามกันหาอะไรเหมือนอย่างแว่น้ําในมาหาสมุนเม่วนน้ําลงไปนั่นแล้วถามน้ําที่ไหนมาจากสายไหนอีกนี่ก็เหมือนกัน ทำที่เลือดเลยแล้วเป็นอันเดียวเหมือนกันไปหมดเลยจึงไม่จําเป็นต้องถามกันนี่แหละทำพระรูปเจ้าแน่นอนหรือไม่แน่นอนมีมากมีผลไหมหรืมีตั้งแต่กิเลสมันหลอกลวงต้มตุ๋นอยู่ตลอดเวลานั้นเหลยทําบุญให้ทานไม่ได้บุญไม่ได้กุศลทําบาปไม่ได้บาปนรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีมีล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสตัวมันมืดบอดปิดหัวใจเราให้ ติดตันอันตู้ไม่ยินดีในความดีทั้งหลายไปเสียแล้วก็วิ่งไปตามกิเลสเผากันทอดกันอยู่ในนรกทั้งเป็นของมนุษย์นี่เพราะกิเลสมันต้มมันตุน๋นเรายังไม่รู้อยู่เหรอให้พิจารณาสิเอาธรรมเข้าขมา ก, กอรรรมเขาเอาแยกแย่ออกของดีมันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยจะปล่อยให้ของชั่วมาเหยียบย่ําทําลายทั้งวันทั้งคืนมีอย่างหรือทั้งทั้งที่เรามีของดีอยู่ในหัวใจเราเนี่ยธรรมก็อยู่ในหัวใจกิเลสความราบกก็อยู่ในหัวใจคัดออกที่ เราทำได้จิตใจลองเราแล้ว เ, เป็นธรรมที่เลิศเลยเท่านั้นแหละนะเอาวันนี้ทเทศเพียงเท่านี้รู้สึกว่าเนหน็ดเหนื่อยไม่ลาขอความสาวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายาโดยทั่วกันเทอโทถเหนื่อยแล้ว